นะโมตัสสะอโกวะโตระโตจมาจัมโัสสะนะโมตัสสะกวะโตระโตจมาจัมโมตัสสะนะโมตัสสะกวะโตระโตจมาจัมัสสะ ทางธรรมังสางขรา ม, า ม, มทางนสุขโภพุญญาชะยอทีขอ น, นอกน้อมต่อคณพระพุทธพระธรรมพระสงค์ขอเจริญพรศรัทธาถุิชจนโ้ชนใจ ในการบำเพ็ญบุญทุกๆคนกาโอกาสต่อจากนี้ไปก ข, ขอให้เราทุกคนเข้าสู่ความสงบภาวนาไปยในตัวขวอขอทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงลงลงสติให้มั่นย้ายฝันเฟือนสิงกะลีด วางอนาคตดูปัจจุบันทาไม่อดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันยังไม่มาให้ดูปัจจุบันตามรู้ตามรู้ตามเห็นตามู้จิตของตนพ้นจากบาปกรรมพ้นจากบ่วงของมารฉะนั้นทานเราก็ทานแล้ว อา่จะทาน <c oughs> แล้วก็ก้าวเข้าสู่อภัยทานไม่ถือโทษโกรธเคืองกันให้อภัยกันเอาหสิกรรมอภัยทานแล้วก็ภาวนาทานศีลเราก็มีอยู่แล้วในเจัดศีลศีลในตัว แล้วก็ภาวนาเป็นหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบพุทธะคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงทานฉินภาวนาเป็นบอกเกิดแห่งบุญถ้าภาวนาไม่เป็นบุญพระพุทธเจา้าสอนไว้ทำไมให้เห็นแก่การนหนื่อยยากลำบากอากาศภาษาชนาเพื่อประโยชน์สุข ของมหาชนทั่วไปภาวนาใหม่คนเสมอแล้ว ก, การเจริญภาวนาทำให้เกิดให้เกิดให้มีขึ้นมาซึ่งคนงามความดีอย่านอนหลับชัดจิตเป็นหน้าเี่ยของเราสั่งสมบุญเพิ่มเติมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นบุญจึงจำเป็นต่อเสดจิตใจของเรา ทุกคนมุญเป็นพื้นฐานเป็นมาเลย์ั้นแรกมุญแล้วก็กุศลกุศลก็คือปัญญาความฉลาดพระพุทธองค์ก็ดับเพิงทุกเพิงกิเลส ด, ด้วยปัญญาท่านยังแสดงว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี มันไม่เสมออย่างนั้นก็ ส, สว่างอยพระอาทิตพระจันทร์สว่างแ่ไม่ยิ่ ง, พ, งพระพุทธองค์หับเพลิงทุกเพลิงกิเลสด้วยปัญญาสว่างเพลิงนั้นธรรมชาติแต่ปัญญานั้นกำจัดความชั่วออกจากใจดังนั้นปเราจึางภาวนา ภาวนานได้ทั้งบนแล้วก็ได้ทั้งกดสนมนตอนไหนตอนจิตของเราสงบมีความสุขสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขที่ใจใจของเรามีความสุขแล้วทีนี้เมื่อจิตสงบแล้ว เกิดปัญญาก็ภาวนามายปัญญาภาวนาบนสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาปัญญาเกิดจากการภาวนาเลยทั้งบุญแล้วก็เลยทั้งกดสนเราจึงทำหน้าที่ของเราให้สมบุญแบบถ้าไม่มีปัญญาไม่ได้ภาวน า, เ, าเทียบชัดเกิดนะ เกิดขึ้นมาทั้งทีสร้างความดีไม่ได้ น, าดนา่าสลดน่าชังเวทห่าสงสารลงโลกคลงสังขารฟัน ญ, ญาไม่ถึงคิดว่าจะเอาหมดแต่หารู้ไหมว่ามันจะได้ทิ้งหมดเอาหมดต่ว่าทิ้งหมดคิดว่าจะอยู่คิดไม่ทิ้งว่าเราจะไม่ตายงา่าย ก็เลยประมาทมัวเมาในชีวิตคนเมานั้นเมาในวัยเพราเจองยังน้อยยังหนุ่มอยู่ไม่อยากจะทําความดีน้อยหนุ่มก็ตายเพ่นนะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายเพ่นคิดว่าเจองยังไม่มีโรคมีภัยเวียดเพียนก็เลยไม่อยากจะทําความดีคิดว่าเจองจะไม่ตายง่าย อันเป็นความคิดแต่ความจริงไม่เหมือนความคิดนะอันเป็นเองอันมาเหนือม่เราคิดอยากจะอายมันค้อนยืนแล้วความคิดของเราแต่ว่าความจริงไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนท่า น, นทุกคนอยู่ในอยู่ใต้กฎของกรรมฉะนั้นการฟังธรรมะ ก็เป็นวุญชนิดหนึ่งธรร ม, มะสาวนัยวุณสําเร็่การฟังธรรมฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาได้ทั้งบนแล้วก็ได้ทั้งกุศลทำไมปัญญาชนทําดีเหมือนพวกเรานี้เป็นบัณญิตเป็นปัญญาชน พระพุทธชอบด้วยกายวาจาใจนั้นบันดิตจะจบอะไรก็ตา่างขอให้พระพุทธชอบด้วยกายวาจาใจถ้าพระพุทธชั่วด้วยกายวาจาใจมันมีศพโกพวกเราจึงมีปัญญาสอนตัวเองเราคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดี ถ้าคนไหนคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็วางกำความคิดระวังอยคนเดียวรักษาความคิดความคิดมันจะฆ่าตัวเรานะทำดีก็เพราะความคิดทำชั่วเพราะความคิดให้รักษาความคิดตามดูจิตของตนถ้าอยกับมิตร รักษาว่าจาร์ักษาว่าจาร์ไมพูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบให้พูดเพราะเจอพูดแต่คาสัต์คําจริงเท่านั้นสัจจะซื่อสัจจริตเราพูดความจริงใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามพระพุทธเจ้าจแสดงธรรมแปดหมื่นสี่พันพระสรรมขันธ มีตรครามริงทั้งนั้นไม่เดกโกหกนะฉาะนั้นท่านจึงวางศาสนาไวา้อย่าลืมตัวให้เกี่ยวข้องกับบุญแล้วให้รศึกษาธรรมะแสวงหาสิ่งสิ่งที่ประเสริฐก็คือบุญพวกเรานี้พรสอนมีกันหมดทุกคนแต่ว่ามีพรสแสวงด้วยนะ ถ้าเราจะพรสวรรค์พรสวรรค์ไม่รู้ว่าจะทําไว้มากน้อยไม่รู้นะต้องแสวงด้วยพระพุทธเจ้ายัางแสงวงหาหมอกธรรมหาทางพ้นทุกเราก็เหมือนกันเป็นผู้แสวงบุญถ้าไม่แสวงบุญไม่ทําบุญแล้วบุญก็ไม่เกิดดเราจะจําเป็น จะแสวงหาสิ่งที่ปฏเิดก็คือบุญมีภาษานคำว่าคุณวิเศษของเรามีแล้วหรือไม่เราจะเป็นบุคคลที่ไม่เกื้อืนเสียใจภายหลังอะไรวิเศษก็บุญนะันไม่รู้ว่ากี่แสนล้านเขาก็ไม่มีเศษวิเศษอะไรนะ มันไม่ไปด้วยจะมีมากถ้าไม่ทำก็ดีแล้วก็ตายอยากมันไปเอาไปด้วยก็ไม่ได้แต่บญนี้แหละพิเศษบญเป็นนิสัยบญเป็นปัจจัยบญเป็นเพื่อนสองของใจจะนำไปสู่พระโลว์เบื้องหน้าข้าก็จาบอะไท่านก็ตัดเลยว่า บุญญานิพโรกตมิงปฏิทาหุนติภานินันติบญเท่านั้นแหละจะนำไปสู่พระโรคเวืองหน้าอนาคตข้างหน้าข้อพราอบุญจำเป็นจะต้องแสวงบุญสั่งสมบุญนำศขมาให้หันพยายามจงพยายามศึกษาฟังธรรมะให้ได้ตั้งบุญ แล้วก็ให้ได้ทั้งขดสนเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญาแล้วสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญู้แจ้งแทงสลอดรู้เท่า อ, อจันถ้าปัญญาไม่ถึงเราหมดอันที่จริงแล้วเราอยู่ทุกวันนี้ ก็ อ, อยู่เพื่อจากนะอยู่เพื่อจากทำไมเราจะต้องพลัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไม่อยากจะได้ยินในคำนี้แต่ว่าวันรอเราอยู่ข้างหน้าเจอกันหมดทุกคนต้องจากโลกนันนี้อยู่เพื่อจากเรารับประทานอาหารกินทุกวันกินเพื่ออยู่นะ โลกนันนี้กินก็กินเพื่ออยู่อยู่ก็อยู่เพื่อจาบอาชีพอะไรก็ตามทํามาหากินเพื่อฝากเพื่อท้องสร้างฐานหน้าครอบครัวผลสุดท้ายก็จากโลกันี้ทางชีวิตผลสุดท้ายก็จากโลกนี้ไปถ้าไม่เกิดพระมาไม่แก่ไม่เก็บ ไ, ไ, ไม่ตายถาพระพุทธเจ้าจะสอน ให้ทำความดีทำไมโลกนี้อันเป็นอยู่อย่างนี้ชังขานชีวิตชังขานเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชังขานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบกต่อทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเราเป็นผู้ไม่ประมาทนะ คนผู้ไม่ประมาทจะไม่คำชั่วทางกายเมตตาสัตว์สงสารสัตว์สำรวมยินดีด้วยข้อมีอยู่ให้ข้าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามผู้ไม่ประมาทเหมือนพวกเรานี้จะไม่พูดชั่วทางบาจาพถดเทศส่อเสียดคาอยาเพื่อเจือ ถ้าไม่คิดชั่วทางใจถึงมันจะคิดไปก็ไม่ส่งเสริมโจนไม่ส่งเสริมความชั่วอารมณ์ฝ่ายต่ําคนไม่ทำบุญทําทานคนไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราเพราะอะไรเล้วโลกอันตรายอย่างยิ่งคือความโลภลืมเนื้อลืมตั ว, วเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่อิม่มมันพร่อง เพราะความโลภมันครอบงำไอ้รังจก็โกรธขอดหลงนี่แหละผู้ไม่ประมาทไม่ทำชั่วทางกายพูดชั่วทางบาาัจาไม่คิดชั่วทางใจแล้วก็ให้ระวังนะใจของเรานี้แหละสำคัญที่สุดให้ระวังใจมันจะหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวเอง ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งของความกำหนัดให้ระวังนะจะทำดีก็เพราะใจจะทําชั่วก็เพราะใจนะถ้าไม่ระวังก็เหมือนโชเฟอร์ขับรถไม่ระวังก็ตกถนนถึงตายเลยนะประมาทถึงตายหรือให้ระวังไม่ประมาทระวังใจไม่ให้กำหนัด เดี๋ยวระวังใจไม่ให้ขัดเคืองฆ่าขัดเคืองกันขัดเคืองใจเราให้ระวังอารมณ์โชวบุกฆ่ากันตาเลยนะทําไมจึงฆ่ากันตายมันกินแหนงแกงใจกันมันขัดเคืองระวังใจให้ร่วมหลงในอารมณ์เป็นที่แท้ของร่วมหลงคนหลงโลก ข้อหลงอารมณ์นะคนหลงอารมณ์ก็คือคนหลงโลกอารมณ์เกิดที่ใจนะ่ะหลงโลกหลงอารมณ์หลงความคิดตัวเองโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะฮอ้อมันก็เฉยเราจะร้องไห้ทุกใจมันก็เฉยโลกอันนี้มันไม่สุขมันไม่ทุกมันไม่ดีไม่ชัว่ว มันไม่บาปไม่บุญนะบาปบุญชี้ตัวคนเองถ้าทำบาปเองก็เศร้หม อ, องเองไม่ทาบาปเองทําบุญเหมือนพวกเรานี้ก็ฟ่องแค่วไม่ทําบาปเองย่อมหมดจดเองอย่อมทิ้ตัวเรานะระวังอย่าให้หลงหลงโลกหลงสังขาน เัว่าชังขันทั้งหลายทั้งพวงมันไม่เที่ยงเป็นทุกแล้วก็มันก็เป็นอนัตตามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตายไปหลายชั่วคนแล้วฆ่าตามธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่มันไม่ใช่ของไครนะโลกนี้เป็นที่อาศัยชั่วชีวิตหนึ่งฝัจใจเรื่องอาศัย ถ้าอาศัยเขาอยู่พนสุดท้ายก็จากไปนี่แหละเราจึงโลกวิถีรู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้ารู้ตามความเป็นของคป็นจริงของโลกสังขารโลกโลกคือสังขารเป็นอยู่อย่างนี้ที่มีใจคลองหรือไม่มีใจครองก็ตามสังขารโลกสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว ทำไมข้องอยู่หมกอยู่จมอยู่คือผู้ข้องพระพุทธจา้าจงมาดูโลกนี้อันตรการโลดราชลดที่คนหลงอยู่หมกอยู่จมอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไหมทําไมขันจึงไม่ค้องโลกนี้โสฟาสถาพรก็จริงแต่ว่ามันมีภัยนะภยัภยในญ่หลวงของโลก ก็คือความแก่เราไม่อยากจะแก่นะอย่าชลอความแก่เขาไปหาซื้อมาทานเกี่รเมริกาเขาเขาก็คนควา้าแต่คนอเมริกาเขาแก่ไหมหลือแก่กันหมดตายกันหมดไม่ต้องสงสัยภัยใหญ่ลวงของโลกมาจากไหนมาจะเกิด ภัยใหญ่หลวงก็คือความเกิดความเก็บแล้วก็ความตายมันเป็นชวัตชักรคนนะอาเซจอะไรก็ตามไรกันหมดทุกคนเนี่ยมาจากเกิด อ, อ น, นั้นเราจรึงรู้รู้ตามความเป็นจริงเพราะพุทธเจ้าก็ยอมรับความจริงนะของโลกะนี้โลกะนี้จังโลกทุกครั้งโลกคณะตา ไม่มีใครเป็นเชาวโลกเราภาวนาให้มันเกิดปัญญาอะไรเห็นด้วยปัญญาว่าชังขานทั้งหลายทั้งพวงไม่เที่ยงขึ้นธว่าชังขันเราไม่เที่ยงนะถ้าชังขานเที่ยงเราจะไม่แก่ที่เราแก่ไปทุกวันเพราะชังขานมันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาว่าชังขันทั้งหลายทั้งพวงเป็นทุกข์ ไม่ทุกกายก็ทุกใจศาสนาซึื่ออะไรไม่ได้เช่งนั้นนั้นแหละตรวจทุกมันทุกใจไม่มีโรคทางกายแต่ว่ามีโรคทางใจนะนอกจากภาลาังท่านจึงไม่เป็นโรคทางใจแต่พวกเรานี้เป็นกันหมดนะเป็นโรคทางใจอย่างน้อยที่สุด เราก็เป็นโรกสักอย่างมีไหมเป็นนะเป็นโกการใจมันเป็นทุกข์ามทั้งหลายทั้งพวงมันเป็นอนัตตาสัพเพชะมานัตตาติภัยแย่หลวงของโลกแต่เราเห็นภัยแล้วก็เห็นด้วยปัญญาทั้งการทั้งหลายทั้งพวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ แล้วก็เป็นอนัตตาความยึดมั่นถือมั่นมันจะลดน้อยถอยลงนะให้เหมือนแต่ก่อนโู้ไม่ประมาทไม่มัวเมาเนีหละระวังใจให้กําหนัดขัดเครื่องร่มหลงแล้วก็มัวเมาถ้าเมามตัวก็ลืมสายแล้วเขามีอยู่นะแต่ว่าเราคนลืมเหมือ น, นกับคนแก่ ทำไมหลงหน้าลืมหลังแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาความจำมันไม่เที่ยงหลงหน้าลืมหลังสังการวิญญาณันไม่เที่ยงนี่แหละเราจึงเห็นด้วยปัญญาไม่เซนหรักตการอัตนา ถ้าเมาตัวก็ลืมตายจะลืมหรือไม่ลืมก็จะตายอยู่แล้วหนึ่งเกิดสองอะไรหรอตายเป็นของโคกันนะจะรวยหรือจนก็ไม่พ้นความตายปัญญาชนท่านยังให้เกลือนตนร่วยตนเองเราไม่อยากจะยินนะคำว่าตายแต่ท่านก็จะเลยว่า เตรียมตัวคนมันตายสร้างความดีกนมันตายจะรวยหรือจนมันก็มีอยู่แล้วถึงเจรวยขนาดไหนเป็นมหาเศรษฐีขอถามหน่อยว่าเขารวยขนาดนั้นกันตายได้ไหมหรือตายเป็นแต่คนจนคนรวยกันตายได้ไหมสวยสวยเหมือนกับนางงามจักรวาล กันใจเลยไหมแค่สวยขนาดนี้มันก็กันใจไม่ได้นะถ้าไม่ทําความดีแล้วจะไม่มีความหมายอย่าลืมประมาทมัวเมาเมาตัวลื ม, ามกายเมากายลืมเก่เกลื่แต่ร่างกายกิเลสมันไม่เก่นะกิเลสมันไม่เก่เขาจึงเข้าหัวงู พ่อจิตเรศมันไม่แก่ร่างกายมันแก่อย้าเมาควบครองก็ลืมพ่อหรือแ ม, ม่ลืมบางคนก็เห็นแม่ดีกว่าแม่เห็นผัวดีกว่าพ่อพ่อกนะ็เมานะเจเราเ อ, อาปัญญาถามัวเองเรามีวันนี้เพราะใครเหรอ ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะมีวันนี้ไหมนี่เราจะได้ดืมชาโลกลไหมเรามีวันนี้ก็พระคุณของพ่อแม่แต่ยากลืมมีจนก็ขอให้เชทดจนบูชากราบไหว้บุญคุณของท่านอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่นะข้าเม้าโคกของลืมบุญคุณพ่อแม่ไม่เจริญนะ ถูกสาบเช่นพ่อแม่ อ, อกหักผิดหวังในตัวเราพ่อแม่ทุกคนนั้นรักเรารักมากรักลูกเหมือนดวงตาเกียวตารวงใจสายเลือดเดี๋ยวท่านก็ฝากความมาไว้กับเราด้วยนะเหนื่อยยากลำบากไม่ว่าเพื่อลูก <c oughs> อยากให้ลูกเป็นคนดี <c oughs> อยากให้ลูกเป็นคนบุญพ่อแม่ก็จกใจแล้วโูมแค่แล้วท่านไม่อกหักผิดหวังเราก็เหมือนกันไม่ลืมบุญคุณไม่ทำให้พ่อแม่อกหักผิดหวังในตัวเราเป็นคนดีเชิดหน้าโสตตาลำลงวงตระกูลลูกใครนอร้อดีเรือยขึนแต่ถ้าลูกชัว่ว ลูกใครนองพ่อแม่มันไม่บอกไม่สอนหรอนามสกุลอะไรเสียหายจะนามสกุลหนย่นะถ้าลูกชั่วแต่เรานี้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ไม่ลืมบุญคุณพวกมีพระคุณเรามีวันนี้ก็บุญคุณของพ่อแม่มูลมองแ ล, ล้วหลบความาต่าพ่อแม่นะนี่แหละ ธาดินธาดน้ำํำธาดินก็ของพ่อธาดน้ําก็ของแม่อยู่ที่ตัวเราทุกคนนะมนพ่อมนแม่อยู่ที่ตัวเราแต่ถ้ามนมองโลกข้างนอกมนมังสังขญาติยื้อแย่งกันพี่น้องก็ฆ่ากันตายคนนอนไลยมากคนนีนไ้นนไลยน้อยแย่งกัน แต่ว่ามันเป็นชับสมบัติภายนอก <c oughs> แต่ว่าสมบัติภายในนี่แ ห, หละมรรคของพ่อแม่อยู่ที่ตัวเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อใช้นี่เก่านะหนี้วญคุณนี่เราเราเป็นหนี้วนคุณใช้นี่เก่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อ ยามปลรยไข่วังให้เจ้ารักษายามเมื่อม้วยมรณาวังให้เปลีตาให้ถ้าคนตายลืมตาเขากลัวที่สุดนะเออตายเหลือก็เพากลัวที่สุดเนะี่ยถ้ามีลมหายใจอยู่อุ้ยตาหวานถ้ามีลมอยู่นะเฉยก็เวยรวยก็รวยตายก็หวาน ถ้ามลทรมืออะไรเลยลืมตาไม่ดีไม่สวยเลยเขากลัวที่สุดท่านจึงว่าอย่าเมื่องม่ภรวนาหวังให้ปิดตาให้หลับสนิทไปอย่างสงบถ้าลืมตาโอ้ยเป็นห่วงเป็นแส้นอะไรเนอถ้าลืมตาท่านยังให้ปิดตาให้ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วให้ทําบุญหรือให้ท่านให้เป็นคนบุญไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ให้ทําบุญหรือให่ขนาดตายแล้วยังไม่รืมบุญคุณ น, นะพ่อแม่เราจึงเทิดทูนบูชาคนของท่านข้อเหมือนกับเราน้อมนังเราลึกถึงคนของพระเจ้าที่มีในพระองค์ทรงเพื่อกลูเก็บคนอืน่น เมตตาสงเคราะห์เหตตาจิตคิดนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทุกข์ท่วนหนะ้าเมตตาตนเมตต า, ตาสัตว์เมตตาคนอื่นทําไมสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนกับเรานะเขาก็รักชีวิตเราก็รักชีวิตเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันกับเรานั่นแหละ ฉันยให้เมตตากันสงสารกันเมตตาเป็นำคำคาจุนโลภฉันจึงให้เจริญเมตตาภาวนาคิดอะไรประกอบด้วยเมตตาพูดอะไรแล้วก็รอประกอบด้วยเมตตาทำอะไรประกอบด้วยเมตตาถ้าเจริญเมตตาภาวนานั้นรับก็เป็นสุขซึนก็เป็นสุขไม่ผันร้าย บางคนไม่เฉลิญเมตตาภาวนานอนแล้วเมื่อเพ้อฝันนอนร้องเขาจะมาฆ่าขาดก้อเมตตาผนะ่นร้ายถ้าเราเฉลิญเมตตาไม่ผันร้ายเทวลา ย, ย่อมรักษาทีหน้าผ่องใสเยี่มเ ย, ยื่แจ่มใส ถ้าเราขาดก็เมตตาเมื่อไรมันบูดมันบึ้งนะถ้าเจริญเมตตาภาวนาสีหน้าก็ผ่องใสไม่หลงทำการกิริยามีคุณสินคุณทานความดีเข้าไปหาใจเมื่อจากโรคนี้ไปวันไหนย่อมเข้าสู่สุคติเพราะบุญเราพึ่งบุญ เราจึงจเจริญเมตตาภาวนาเหตุตาจิตคิดถึงคําสังสอนพระพุทธเจ้าอันเมตตาส่วนพระองค์นั้นสุขโตอันไปทีแล้วเหลือใจพวกเราทำความดีทุกวันเดินทางทุกวันมีวังนะถ้าเดินด้วยเท้าก็ถึงบนนะถ้าเดินทุกวันทุกวัน พลังเข้ามาอยู่วัดหนองฝาพงเลืเ่อนทุง่งเลื่อนจากวัดหนองฝาพงมาถึงกรุงเทพตอนกลับก็เลืนจากกรุงเทพถึงอบลไม่ได้นั่งรถนะเลื่ทําำกามีทุกวันเลื่อนทางทุกวันดีกว่านอนหลับทั ก, กจิตไม่ทําอะไรเลยไม่มีประโยชน์คนเราถ้าไม่ช่างประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์นะ ถ้าเราสร้างประโยชน์ก็เกิดประโยชน์ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานทุกคนมีผลงานคดีโลกมีกันหมดทุกคนนะผลงาน้มากก็น้อยแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นถ้าผลงานทางโลกชนห้าร้อยเขาก็มีผลงานางกันนะขนาดเศสขาดเขายังมีผลงานเจินบาก ค่าของคนอยู่ที่ผลของความดีคือพวกเหานี้นี่ก็คือบุญบุญก็คือนหนีทำไมความดีบุญเป็นชื้อของความสุขสั่งสมบุญนำสุขมาให้เป็นชื้อของความสุขเป็นชื้อของความดีเป็นชื้อของความถูกต้องไม่ใช่ถูกใจนะ ใจของคนมีกิเลสน้ำมันไม่ไหลลงน้ำมันไม่ไหลขึ้นนะมันไหลลงใจของเราเหมือนกันอย่าทำตามใจเราต้องทวนกระเสเพื่นความรู้สึกมีความรู้ความสามารถแต่ว่าเราไม่ขาดความดีนี่แหละเราจรึงศึกษาธรรมะเพื่อความเข้าใจ แล้วก็ปัญญาสอนใจธรรมจริงนั้นธรรมะก็ธรรมชาตินะธรรมะก็คือธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้ดินก็เฟ้นดินน้ําก็เฟ้นน้ำมหาสมุทรทะเลนั่นก็เป็นอยู่อย่างนี้ประเทศอะไรก็มีไฟก็มีขนาดพูกเขาไฟก็มีนะลมก็เหมือนกัน มีอยู่แต่ว่ามันไม่ผิดไม่มีตัวตนนะมันเป็นนามไม่ใช่ลูกมันไม่หมดเป็นสมวัชฌ์คนถ้าตามธรรมชาติมันไม่หมดมีแต่คนหมดลมถ้าหมดลมแล้วหมดสิทธินะบ้านของเราพร้อมให้อยู่ไม่เงินก็ไม่รู้ว่าเกียรติแสนไา หมดลมแล้วคนอนื่นเขาใช้มีอของไม่รู้จักใช้ก็ตายจากมันไปเฉยๆเออไปรู้กก็ไม่ได้ธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่ตายไปหลายชั่วคนแล้วมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างเขาเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมชาติธรรมะคือสภาวะที่ทรงว้ายทรงความจริงว้าย เอาชองความไม่เที่ยงชงความเป็นทุกข์สองชองความเป็นนักตาไวา้สามัญญาลักษณะเและเสมอภาคกันหมดทุกคนนะไม่ลําเอียงได้ความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนักตาเหมือนกันหมดทุกคนนี่แหละชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจะว่าความตายเที่ยงแท้แน่นอนที่สุดนะโลกทั้งโลก เตโลกอยู่แต่ว่ามีแต่คนตายโลกทั้งโลกก็มีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายเรามีคนเกิดแล้วก็มีคนตายนี่แหละชีวิตไม่เที่ยงความตายเที่ยงแพ้แน่นอนที่สุดเราจรึงรู้ธรรมะคือสะภาวะที่ทรงไว ตรงความแก่ความเก็บความตายมันมันเป็นธรรมชาตินะธรรมะคือหน้าที่พุทธะคือผู้รู้ไม่ชุไม่ใช่ผู้หลงอย่าลงหน้าที่นะใครมีหน้าที่อะไรก็รับผิดรับชอบรับผิดแล้วก็รับชอบเหมือนกับบุญกุศลมันคนละอย่างนะ บุญบรรเทาของความสุขกุศลบรรืทอของความฉลาดรับผิดชอบพูดง่ายนะแต่ว่าผิดก็รับชอบก็รับทั้งสองอย่างนี่แหละหน้าที่อย่าล้หน้าที่เรานะหน้าที่ของสัจจะญาติโยมก็ทานสินภาวนาแต่ถ้าหน้าที่ของพระก็สินสมาธิปัญญา ทำไมท่านจึงไม่กล่าวถึงทานอสงคเป็นผู้มีศรัทธาออกหัวจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยกันแล้วท่านทานหมดแล้วท่านก็เลยไม่กล่าวถึงทานถ้าไม่ทานก็ไม่ได้หววท่านทานภายนอกก็เหมือนกับเคยไปอยู่กับหลวงปู่ชา อยู่สามโมงด้วยกันพานหนุ่มๆด้วยกันตอนเลิกเที่ยงคืนต่ประชุมกันอยู่ใจทุนกุติท่านให้อววาเพื่อนก็เลิกกลับเหลืออยู่สามโมงพานหนุ่มพานมองว่าพวกหนุ่มๆอย่างนี้น่ะทานมันเชียชาติเดียวเราไม่สร้างโลกมันจะว่างไหม ทานมันเสียชาติเดียวท่านบอกให้ทานนะแต่เราละยินแต่พวกนั้นคงไม่ได้ยินเขาสึกไปมีภรรยาตายแล้วเดี๋วนี้แต่เราละยินคํานั้นเข้าถึงใจเลยนะแมว อ, อยู่ที่หงละยินอยู่ทั้งสามวันสามคืนนะละยินแต่เวลา น, นอนหนับทานมันเสียชาติเดียว ทานมันเสียชาติเดียวเราไม่สร้างโลกมันจะว่างไหมมันถึงใจเลยก็ตกลงใจครั้งแรกก็จะไปลองดูนะมันหนองประพรมจะไปอยู่อยู่สักสามเดือนพอพรรษาก็จะไปแล้วเราไม่คิดว่าจะอยู่มานานถึงห้าสิบหกพรรษาขนาดนี้นะแล้วยินคงนั้นก็ตกลง ยอมหรือทานไม่เอาเพราว่าทานมันเฉยชาเดียวคือไม่ชั่งโลกทานรูกทานเสียงทานกลิ่นทานรสทานอภภาาโอตระเภอารมณ์เกิดกดใจแลเราทานนั่นแหละท่านจะไม่กล่าวถึงทานผระสงทานแล้วเพราะนั้นพวกเราจึงอย่างน้อยที่สุดเราก็ัยทาน ถ้าชวนกันให้ข้อคิดคติเตือ่นใจก็เป็นธรรมทานนะไม่สัตรทานหรือพยาทานธรรมทานนี่แหละพวกเราจึงรู้จากหน้าที่ไปลงหน้าที่น ะ, ะก่อนอะไรนะกระทงหลงทางให้มันหลงแต่กระทงนะ่ะเราอย่าลงนะถ้าหลงทางก็ตกนรกละ่ะ ถ้าทำบาปก็ตกนรกถ้าทำบุญก็สวรรค์ทำไมทำและทำจะให้ผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหาไม่ได้ถ้าทำย่อมนำไปนรกทำย่อมนำไปสู่สุคตินี่นะแยกกันนรกสวรรค์ฉะนั้นอย่าปฏิเสธพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นริงแล้ว ท่านยังเทศพลูดพุทธบริษัทานรากก็เหมือนกับเทวทัตอานนเทวทัตทำชั่วทำลายสงถึงจะมาขอก็อมาโทษเราก็เข้าไม่ถึงนะเทวทัตต้องไปั่วนวบายอยีกเรื่องนรกนะถ้าคนไม่มีพุนก็ในระยะนรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์เรี้ยกฉาน เจรสานโยนี้ขนาดเศรษฐีให้ ท, มมทำมนทําทานได้เกิดเป็นมหมาก็มีนะเกิดธรรมบทได้เกิดเป็นลูกขอฐานก็มีนะทั้งที่เป็นเศรษฐีเมื่อก่อนเป็นคนจนเป็นชาลรสารเป็นเปรตเพจพระเจ้เจเจษษาพนะิมพิสารนี่เลยท่าน เรื่องนรกแต่เรื่องสวรรค์น่ะท่นไปโปรดพุทธามันละเจอสวรรค์ชันแล้วเอรึงนะท่านไปชำระสาชวนใจมากสามเดือนแล้ววันตักวาดเทโวโลหนะวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกทำไมนรกสวรรค์มองเห็นกันเปิดโลก ขั้นไปโปรดพุทธมารดาฤิธเทวดาอานุภาพฤทธนาฤทธคุตฤิดเทวดาพวกนี้มีลิดนะแต่อย่าไ่เท่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นูู้ดสอนของเทวดาอะไรมทั้งหลายบันดาลนิรมิตบันไดแก้วบันไดทองบันไรเงินให้พระพุทธเจ้าเสร็จ จากสวรรค์ชันดาวพลิงเขาลนิยมกันเมือ่อก่อนจาวาดเทโฮโรหนะไปอินเดียก็อาจารย์ท่านเขาพูดท่านบาว่าเมืองนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสัสวรรค์ชันดาวรลิงแต่เราไม่เห็นห น, นะอยากคิดว่าไม่มีนะอันกับพวกนี้มีไหมมีแต่ว่ายังไม่ถึงเอาไม่ใหู้ก็ไม่เห็นนะ ทำมาได้ยังไงเ้ะปีนี้ก็มีแล้วปีหน้าก็มีนะพบก็มีพบนี้ก็มีพบหน้าก็มีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วให้ทำบุญหนุนชิตให้ท่านท่านก็ไปโปรดพุดท่านมันาพ่อแม่ของเราตายไปแล้วก็ให้ทำบุญทิดให้ช่วให้ย่อมเป็นที่รับ ของเทวลาอะไรมนุษย์เราทำบุญให้ส่วนบุญท่านว่าทานอุทิศทานอุทิศถ้าเราไม่ทานแนี่จะเอาอะไรเป็นบุญละ่ะจะเอาอะไรอ่ทิศเหมือนกับเราเป็นหนี้อยากจะใช้หนี้อยู่แต่ไม่มีเงินจะเอาอะไรให้เขาถ้าเรามีเงินแล้วยก็ใช้หนี้ก็สบายนีก็เหมือนกัน เราเป็นหนี่บุญคุณทำบุญ อ, อุทิศให้ท่านเมื่อท่านลวงรับไปแล้วท่านมีชีวิตยอยู่ท่านก็ช่วยหนุกช่นใจนะเห็นลลกเป็นคนดีเห็นลลกเป็นคนบุญไม่อกหักไม่ผิดหวังไม่เสียแรงด้วยความเหลือมาด้วยความเหนื่อยายากลำบากนี่แหละเราจรึงศึกษาหน้าที่ ของลกูกใช้นี่เก่ามนั้นก็เรามีโภคทรัพย์สมบัติให้แ บ, บ่งสันพันส่วนนะส่วนที่หนึ่งทิ้งลงหิวเอาไปทิ้งลงหิวนะเอาไปทิ้งลงหิวทำไมลึกที่สุดพียหิวนะทมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็ม เต็มแล้วยังปากท้องของเราลนะ่ะกินมาตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่แล้วก็ยังไม่อิ่มเลยเนาะตอนเย็นก็จะกินจะทานอีกเกู่วนี่เหมือนกับทิ้งลงหิวเพื่อปากเพื่อท้องส่วนที่สองก็ปิดปากงูเหา่าถ้ามีว่นเล็กว่านใหญ่มีคิดเข้าผิดกันเทียงคันทะเลาะวิวาดคันฆ่าคันทาย พูดพี่ใ้กันเหมือนกับงูเหา่างูฉาเลยนะแต่พวกเรานี่สบายชื่อสัตว์สวจริตต่อกันใอ้เนื้อเชื่อใจกันไม่ผิดกันไม่พูดพี่้กันนะปิดปากงูเหา่าส่วนที่สามใช้นี่เก่าก็นี่บุญคุณพ่อแม่ น, น, นั่นเี่ส่วนที่สี่ก็ทําบุญให้ทานฝาก ฟังสวายในพุทธศาสนานี่เลยเราฝากคังสวายจะน้อยหรือมากก็ข อ, ของเรานะดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ขานอย่างน้อยที่สุดก็พอให้ อ, อยู่ทุนนะมูลเป็นกำไรชีวิตถ้าคนไหนหลงโรคหลงสังขารแล้ว ให้ทำบุญให้ทานไม่ฝกักขังชักฟ้ายในพุทธศาสนาทนหายกำไรหดไปไม่รอดนะชาติหน้าพบหน้าจนโกลือขี้ดีโกลือดีไหมขาดทนแล้วถ้าโยทนก็รวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมนะโยทนถ้ากำไร่ รวยก็ลิมสวยก็ลืมชาติไม่จบพพไม่สิน้นวตัตถสงสารเพียนว่ายตายเกิดแต่พระุทธเจ้ายังบอกเพีิว่าสารสัตยานและฤกชาติหงรัห้าร้อยชาติพกเราเร่ิกไรไหมนี่กี่ชาติขนาดฝันก็ลืมหมดแล้วนี่เลยวตัตถสงสาร เกณบ้ายสายเกิดถึงจะไปเกิดเป็นเทวราโมดวุเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิม น, นะทีนั้นไปประเทศมาเลเซียอาจารย์ญาณท่านพูดให้ฟังสามสาวลูกสาวสามคนเขามากราบเขาลังเขารู้เขาว่าน้องพ่อ เทวราช ห, หมรุนมาเกิดอ่นี้รู้ได้ยังไงเขาจะแยกทางกันแล้วไม่มีบุตรลูกสาวเศรษฐีลูกชายเศรษฐีแต่งงานกันเขาจะแยกทางกันแล้วก็เลยบอกเขาให้ถือสินกินเจเฉด่อนตอนเที่ยงคืนก็จุดถูก ขอเทเวลาหมดบุญมาเกิดเป็นลูกรวยเขาก็เลยทำตามพอถึงวันทวนเจ็ดเขาก็ออกจากชิ้นแผนเขาก็ร่วมชังว่าเฮนี้ก็ทกเทเวลาหมดบุญมาเกิดด้วยตั้งคันเลยข้อหลังมาก็เป็นผู้หญิงขอคนที่สองก็ทำก็เลยเอก คนที่สามาก็ทำอีกเทวราหมดบุญแต่สงสัยเขาลืมขอเทพบุตรเขาก็เลยละใจลูกสาวเราก็ไม่รู้วิธีการนะพรังก็รู้เยังไงะเลยอที่วัาป่ารัตนวันเดีย๋ยวนี้ท่านได้เป็นเจ้าคุณแล้วผลออสเตเดียนั่นเอ หมดบุญเขาลงมาเกิดเขาก็เคยไปเยี่ยมวัดฝ่าน้า ก, กำกืนให้กับพ่อครับแม่เขาเข้าไปวัดหลองพ่อพงศ์เาก็เคยไปเยี่ยมเราไปประเทศมาเลเซียเขาก็รวยนะเขาก็ถวายปัจจั <c oughs> ยแสนหนึ่งถ้าเป็น ค, คิดเป็นเงินไทยเมนะื่อก่อนร้อยละสิบถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ล้านหนึ่งนะ เอาวายตอนนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันรอยแล้วเท่าไรร้อยลวเจียไม่เหมือ น, น, นก่อนเมื่อก่อนสิบนะเป็นเงินล้านเทียวลาหมดบุญนแตเพื่อนี้ไปอังกฤษก็ไปเจอพ่อเขาไปเยียมลูกสาวเดีย๋ยวนี้โตแล้ว <c oughs> ไปชงไปเรียนที่อังกฤษเแล้วก็ซื้อบ้าน ให้อยู่แล้วเจอกันอยู่นี้เจอกันก็คนที่สองก็ไปแล้วไปเรืยอนที่อังฤษเแล้วแต่คนเด็กนี่แหละเทวรางหมดบุญก็ลงมาเกิดมันวัดผ ส, สมสารเพื่อนบ้านใ่เกิดอย่างน้อยที่สุดเราก็ให้กำไรไล่กำไรชีวิตนะคือบุญอย่างอื่นดีอยู่ แต่ไม่เท่าบุญบุญเป็นนิสัยบุญเป็นปัจจัยบุญเป็นเพื่อนสองของใจทุกทุกภพบที่เราเกิดเหมือนก็เราเกิดมาก็ร้วยบุญอยู่เร้วนี้ก็อยู่ร้วยบุญนะอนาคตข้างหน้าก็ไปด้วยบุญบุญเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยยำหน้าให้ผลขัามพบขัรมชาติธรรมะคือหน้าที่ เดี๋ยวธรรมะคือผลก็ผลบาปผลบุญนั่นเองถ้าไม่มีผลบาปไม่มีผลบุญโลกทั้งโลกจะราบเหมือนหน้ากองชัยนะจะไม่มีคนจนเลยจะมีแต่คนรวยจะไม่มีคนขี้ดีร่หรือจะมีแต่คนสวยนานากิตังก็จริงแต่ทุกคนปราชญนาะรูปสวยรสกระซับ หรือฝาถนาขอให้ชาติหน้าขอให้ขี้เรยมีไหมหนขอให้จนขอให้จนมีไหมรับรองแบบขอให้รวยขอให้รวยต้องกันเดียวกันนะแต่ทําไมจึงแบ่งชาติชันมันนักกันรวยต่างกันช่วยต่างกันจนต่างกันขี้เรศต่างกันเ่ขเะข้อพักกันก็ทําให้เหมือนกัน บางคนนั้นใจรำมมหิตเขาทําชั่วเป็นนิสัยไม่อายชั่วไม่กลัวบาปแต่พวกเรานี้ทําบุญเป็นนิสัยอายชั่วกลัวบาปการกระทาไม่เหมือนกันก็ เ, เลยรับผลต่างกันคำย่อมจำแนศสัตว์ให้เร็วและปราหนี้ต่างต่างกันก็พ้นบาปผลบุญ มีอำนาจให้ผลขังพบขัานะใช่นะมไฟตายแล้วก็แล้วไฟตายแล้วก็แล้วไฟท่นความคิดถ้าตายแล้วก็แล้วไฟคือพาระหันท่านไม่มาเกิอดอีกพระพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่มาเกิดมาเกีม่มาเข็มาตายอีกท่านรับรองได้พวกเรารับรองได้ไหมนี่อยารับรองไม่ได้นะเอวิชา ตันหาอุปทานกรรมมีในใจของเราเกิดแน่นั้นข้าเปลือกพอถูกน้ำความชุ่มมันก็งอกนี่แหละแต่ถ้าผ้าระหันนั้นเป็นข้าสารไม่เกิดนะเอาสารเอาเปลือกแล้วอวิชาเป็นเปลือกตันหาเป็นหยาบ ฉันจำเป็นเรายังมีภพนี้แล้วก็ยังมีภพหน้าเราก็ร่วดสัทธาความบริจดฝากวังชับในพุทธศาสนาแล้วก็มีปัญญาสอนตัวเองจงเตือนตนด้วยตนเอง6คนมีตนฝึกผลดีแล้วย่อมไรที่พึ่งที่ไรโดยยากเราจะพึ่งอะไรหรอไรโดยยาก ราะพึ่งบุญนี้แหละเป็นที่พึ่งของตนเ็าคือบุญฉะนั้นพวกเราจนมีปัญญาได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลกำไรเีวิตฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมคนบุญให้ข้อคิดเป็นคติเตจอนใจขอขอเอาคงจะพอสมก่รนเวลาอนิสงค์ผบุญผลทาน จงปกปักรักษาผุ้ของพวกเราทุกคนให้มีความสุขความเจริญยำมั่นครึมยืนโดยกันทุกท่านทุกคนเชิญสาธุ